วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สี่ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ไฝ่รรมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดมาฟังเทศฟังธรรม มาปฏิบัติธรรมเพื่อการกำจัดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปณสถานที่แห่งนี้เราจะมีการแสดงธรรมในช่วงแรก30นาทีด้วยกันและต่อด้วยการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบ อีกส0นาทีด้วยกันรวมกันเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงธรรมที่จะเอามาสแสดงในวันนี้ <c oughs> ก็มีหัวข้อว่าการสนทนาธรรมตามโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งดังในมงคลละสูตรมงคลสามสิบแปด ที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังกัลมุตตะมังการได้สนทนาธรรมตามโอกาสอันควรเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะได้ประโยชน์หลายประการด้วยกันคือจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องทำที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ 4. จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาและสิห้า จะทําให้จิตใจสงบผ่องใสการสนทนาธรรมนี้ไม่เหมือนกับสนทนาทางโลกสนทนาทางโลกมักจะทําให้เกิดความวุ่นวายใจเกิดความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจหรืออาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันก็ได้แต่การสนทนาธรรมนี้จะทําให้ใจเย็นใจสงบใจมีความสุข ใจมีความรู้เพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมาหัวข้อของธรรมที่นักปฏิบัติธรรมหรือนักนักปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ของใจมีอยู่ ประมาณสิบหัวข้อด้วยกันมีอยู่ประมาณสิบเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งก็คือสนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของความความมักน้อยข้อที่สองสันโดษความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดข้อที่สามการไม่คุกคีกันไม่สังคมกันข้อที่สี่ การปลีกวิเวกคือการไปหาสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆที่จะยั่วยกวนใจทำให้ใจวุ่นวายไปอยู่ตามป่าตามเขาตามวัดป่าวัดเขาตามสถานที่ที่ไม่มีแสงสีเสียงต่างๆ จะช่วยกล่อมใจให้สงบแล้วข้อที่ห้าก็คุยกันเรื่องของความภาคเพียงเพียรปฏิบัติทรรมชนิดต่างๆข้อที่หกก็พูดเรื่องศีลการไม่กระทำบาป ก, การละเว้นจากการกระทำที่เป็นโทษต่างๆ ข้อที่เจ็ก็พูดถึงเรื่องสมาธิความสงบของใจข้อที่แปดพูดถึงเรื่องปัญญาความรู้ความฉลาดทางธรรมข้อที่เก้า็พูดถึงเรื่องวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ของใจและข้อที่สิบก็คือพูดถึงเรื่องของวิมุตติญานนณทัศนะ คือยานอย่างทราบว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนี่คือหัวข้อธรรมที่นักปฏิบัติรมหรือผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาควรที่จะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะเรื่องราวเหล่านี้จะช่วยทำให้การบำเพ็ญการปฏิบัติก้าวหน้าไปได้อย่าง รวดเร็วและง่ายได้ไปจนถึงการการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ไม่ควรที่จะพูดคุยเรื่องอื่นกันเรื่องราบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายไม่ควรจะเป็นเรื่องที่จะพูดกันระหว่างพวกที่เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน ควรจะพูดแต่เรื่องเราที่ได้ได้แสดงมาเช่นควรจะพูดเรื่องความมากน้อยมากน้อยนี่ก็คือการมากน้อยในการบริโภคปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคให้ใช้เท่าที่จำเป็นให้มีเท่าที่จำเป็นก็พอ ไวยสำหรับเลี้ยงดูร่างกายไม่ควรที่จะใช้มากเกินไปหรือใช้ของที่มันรูหราของที่มันรูหราของที่มันมีราคาแพงๆที่ไม่ต่างจากของที่ถูกคือทำหน้าที่ได้เหมือนกันเพราะว่าการเลี้ยงดูร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ไม่สำคัญเท่ากับการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะว่าร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีการที่จะเสียเวลามากๆให้กับการหาปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆจะทำให้ต้องเสียเวลามาก จะทำให้สูญเสียเวลาของการปฏิบัติธรรมไปนักปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นของความทุกข์ทางใจจึงมักจะมีความมากน้อยในปัจจัยสี่ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีแค่อัตถบริขารเครื่อง เครื่องอยู่ของพระมีอยู่แปดชิ้นด้วยกันอันหนึ่งมีบาตรไว้สำหรับบิณฑบาตหาอาหารมาเลี้ยงดูร่างกายสองมีผ้าบางสกุลผ้าสามผืนเป็นผ้าบางสกุลรือผ้าที่ไปเก็บมาในป่าช้าที่เรียกว่าผ้าหอ่อศพสมัยพุทธกาลนี้ไม่มีการถวายผ้าสำเร็จรูป ยุค แ, กแกักๆนี้ต้องไปหาผ้าจากในป่าชาผ้าที่เขาใช้หอ่อศพเวลาคนตายสมัยก่อนเขาจะเอาผ้าขาวมาพันศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชาให้เน่าเปื่อยไปพอร่างกายเน่าเปื่อยไปเหลือแต่โครงกระดูกเศษกระดูกผ้าก็สามารถที่จะเอามาซักย้อมมาตัดมาเย็บเป็นผ้าจีวรได้ ก็มีผ้าสามผืนแล้วก็มีที่รัดเอวเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นมีใบมีดโกนไ ว, ไว้สำหรับโกนผมโกนหนวดแล้วก็มีเข็มกลับได้ไว้สำหรับซ่อมจีวรเวลามันขาดแล้วก็มีที่กรองงม้ม ไว้สาหรับตักน้ำขึ้นมาจากลำพุ้ยลาทานมาเดิมต้องมีเป็นที่กรองเพื่อจะได้ไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาขับน้ำนี่คือทรัพย์สมบัติของนักบวชของพระพุทธเจ้าของพระอนานันตสาวกท่านไม่เน้นเรื่องความรู้หลาเน้นเรื่องราคาแพงๆท่านเน้นเรื่องความมากน้อย ให้มันใช้ให้น้อยที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากกับการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายอันนี้คือเรื่องของความมากน้อยของผู้ปฏิบัติธรรมให้มีเท่าที่จําเป็นอย่ามีในสิ่งที่ไม่จําเป็นอย่าต้องมีไม่เกิดประโยชน์อะไรมีเท่าที่จําเป็นกพอ มีอาหารรับประทานมีเสื้อผ้าสองสามชุดไว้สวมใส่มีที่อยู่อาศัยของนักปฏิบัติธรรมก็อยู่ตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติในป่าในเขาแล้วก็ยารักษาโรค ก, ก็ใช้ยาดองน้ำมูดคื อ, อยาดองน้ำปัสสาวะนี่ก็สามารถดื่มรักษาโรคภายไข้เจ็บต่างๆได้ อันนี้คือเรื่องของความมาักน้อยของผู้ปฏิบัติธรรมต้องการเน้นการการเรียบง่ายการไม่เสียเวลามากให้กับการเลี้ยงดูร่างกายเพราะกิจที่จะจำเป็นจะต้องทำคือการกาจัดความทุกข์ทางใจนี้จาเป็นที่จะต้องใช้เวลามากจาเป็นที่จะต้องใช้เวลาเกือบตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ต้องมีการเจริญสติคอยควบคุมใจให้สงบไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้ไหลไปกับความโลภความอยากต่างๆที่จะทำให้สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจถ้าบัวแต่เอาเวลาไปหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายเวลาที่จะมาเจริญสติก็จะมีน้อย เวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาก็จะมีน้อยเวลาก็อาจจะไม่พอเพราะชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันนักปฏิบัติธรรมจึงไม่ประมาทจึงรีบขวนขวายเอาเวลาที่มีอยู่ให้กับการปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เล่ต้องใช้ความสันโดษใช้ความมากน้อยหรือใช้ความสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดไม่จู้จี้จุกจิกมีอะไรก็อยู่กับมันไปใช้มันไปมีอะไรกินก็กินมันไปตามมีตามเกิดเช่นบินทบาตได้อาหารอะไรมาก็กินไปาตามที่เขาให้มาที่ได้มาไม่ต้องไปกาหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ กินอาหารเพื่อดับความขิวของร่างกายกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินก็อยู่แบบกิเลสกิเลสอยากจะกินนู่นกินนี่อยากจะอยากจะกินอาหารชนิดต่างๆถ้ากินด้วยความอยากนี่เราเรียกว่ากินด้วยด้วยกิเลสกินเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะกิเลสเป็นตัวที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเอง แต่ถ้าใช้ความมากน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นกิเลสได้อะไรมาก็รับได้กินได้อยู่ได้มีอะไรพออยู่ได้ก็อยู่ไปมีอะไรกินได้ก็กินไปเท่านั้นก็พอข้อที่สองคือสันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิดข้อที่สามก็คือ ให้ไปหาที่สงบสงัดวิเวกเพราะการบําเพ็ญปฏิบัติธรรมจิตตภาวนานี่ต้องมีที่ที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วจะเกิดกิเลสเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเห็นรูปก็อยากจะดูได้ยินเสียงก็อยากจะฟังได้ดมกลิ่นก็อยากจ ะ, ะรับประทาน ไดนดมกินอาหารที่อร่อยอร่อยก็จะเกิดความหิวความอยากขึ้นมาทันทีแล้วจะทาให้การบาเพ็ญทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากถ้ามีรูปเสียงกลิ่นล้นมาคอยยั่วยวนกวนใจอยู่เรื่อยๆยึย่งจาเป็นที่จะต้องไปปิกวิเวกไปหาสถานที่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเอ่นไปอยู่ตามสถานปฏิบัติธรรม ตามป่าตามเขาตามวัดวัดป่าวัดเขาที่เป็นที่เอื้อต่อการบำเพ็ญเอื้อต่อการกำจัดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปจาเป็นต้องไปปีกวิเวกถ้าอยู่ในบ้านในเมืองอยู่กับคนใกล้ชิดใกล้ชิดกับคนนั้นคนนี้มันก็จะทำให้ปฏิบัติได้ยากจึงต้องไปปีกวิเวกแล้วก็ต้องไปไม่ทุกพลีกัน รือไม่สังคมกับใครถ้ายังติดสังคมอยู่ยังติดเพื่อนอยู่ยังต้องคบคนนั้นต้องคบคนนี้ต้องทำกิจกรรมร่วมกับคนนั้นร่วมกับคนนี้อยู่เวลาที่จะไปปีกวิเวกไปปฏิบัติก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจยังต้องยินดีกับการไปปีกวิเวกยินดีกับการไม่คบใคร ไม่คบค้าสมาคมกับใครที่ไม่จาเป็นจริงๆถ้าจะต้องคบค้าสมาคมก็คบค้าสมาคมด้วยความจาเป็นท่านนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ถ้าหลบได้ก็หลีกไปหลบไปไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเพื่อบําเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อกำจัดความทุกข์ของใจจะดีกว่านี่ก็คื อ, คอเรื่องที่ควรจะคุยกัน มากน้อยสันโดษเอกมิเวกไม่คลุกคลีกันแล้วก็พูดเรื่องความเพียรความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมว่าปฏิบัติธรรมวันละกี่ชั่วโมงทําอะไรบ้างาปฏิบัติอย่างไรยืนเล่สติอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรนั่งวันละกี่ครั้งกี่หอนเดินจงกรมวันละกี่ครั้งกี่หอนเป็นต้น ไอ้พูดแต่เรื่องของการปฏิบัติเรื่องของความเพียนให้พูดให้เห็นคุณประโยชน์ของการบาเพ็ญความเพียิเพราะจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั้นจําเป็นจะต้องหลุดพ้นได้ด้วยความเพียนถ้าไม่มีความเพียรพยายามไม่มีความขยันหมั่นเพียนมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียน นี่คือคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องบาเพ็ญต้องมีความเพียรพยายามปฏิบัติตลาดเวลายกเว้นเวลาหลับนีก็พูดถึงเรื่องของความเพียรนะจะได้ช่วยกันสนับสนุนเรื่องของการทำความเพียรอย่าไปพูดถึงเรื่องการกระทำอย่างอื่นการกระทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นกิจ ที่ยะ ไ, ไม่นำมาซึ่งการดับความทุกข์อย่าไปสนใจอย่าไปทำกันทำแต่การปฏิบัติจิตตภาวน า, าเจริญสมถะวิปัสสนาภ า, ภาวนาทำใจให้สงบทาใจให้ฉลาดเมื่อสงบและฉลาดใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้<ม>อันนี้ก็คือเรื่องของพูดถึงเรื่องของความเพียนถ้าจะคุยกันถ้าจะเจอกัน เราก็พูดถึงเรื่องศีลศีลมีกี่ข้อมีกี่ระดับเริ่มต้นตั้งแต่ศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปวดวไม่ดื่มของวุญนเมาต่างๆพูดถึงศีลแปดเพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไม่ดูหมอสพ บ, บันเทิงต่างๆ ไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าพนที่วิจิตพิสดารด้วยเครื่องสำอางต่างๆน้ำมันน้ำหอมแล้วก็ไม่นอนมากจนเกินไปนอนพอให้พักผ่อนร่างกายก็นอนบนพื้นที่เป็นพื้นแข็งแข็งปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือก็พออย่าไปนอนบนเตียงที่มีผูกหงนะอนเพราะจะทำให้ติดนอน เวลาร่างกายได้พักพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกขึ้นมาก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงด้วยกันทำให้สูญเสียเวลามีค่าของการปฏิบัติไปนี่ก็คือพูดเรื่องศีลต่างๆศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือถ้าเป็นนักบวชก็ศีลสองรอยิบเจ็ดควรจะรักษาศีลให้ดีเพราะศีล น, นี้จะช่วยกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาผิดศีลได้ จะทำให้สนับสนุนการบาเพ็ญการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาได้ดีพูดเรื่องศีลแล้วก็พูดเรื่องสมาธิการทำสมาธิทาอย่างไรสมาธิมีกี่รูปแบบสมาธินี้ก็มีอยู่สามสามรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสงบชั่วหนึ่งขณะจิต รวมแล้วก็นิ่งอยู่หนึ่งขณะหรือช่วงงูแรบลิ้นหรือช่ว่วฟ้าแรบนี่คือผลของการปฏิบัตินั่งสมาธิสำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเริ่มแรกจะได้ความสงบแบบชั่วแรบบเดียวเพราะกำลังของสติที่ดึงใจให้เข้าสู่สมาธินั้นยังมีไม่มากพอ มีกํำลังพอที่จะดึงให้ใจเข้าไปสงบนิ่งได้ช่วหนึ่งขณะเรียกว่าคณิกาสมาธิแล้วต่อมาถ้าจเจริญสติให้มากขึ้นสติมีกํำลังมากขึ้นต่อไปเวลาจิตสงบจิตก็จะสงบได้นานกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งขณะเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิสงบได้นานเรียกว่าอัปปนาสมาธิสงบได้แป๊บเดียวเรียกว่าคณิกาสมาธิ แล้วสมาธิชนิดที่สามเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธินี้เป็นจสมาธิที่มีคุณวิเศษคือมีตาทิพหูทิพอ่านเลึกชาติได้มีอ่านว า, าระจิตของผู้อ่นได้เป็นต้นอันนี้เป็นสมาธิสำหรับผู้ที่อาจจะเคยได้บำเพ็ญมาก่อนในชาติก่อนๆ แต่เป็นสมาธิที่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีไม่จำเป็นที่ถ้าเข้าถึงสมาธิระดับนี้เพื่อการบลดพ้นจากความทุกข์สมาธิที่จะช่วยสนับสนุนให้ปัญญาทาหน้าที่กำจัดความทุกข์ต่างๆก็คืออัปปนาสมาธิจิตที่สงบนิ่งได้นานสงบได้นิ่งได้นานมากเท่าไหร่ยิ่งมีพลัง ในการที่จะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้มากขึ้นไปเป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อกำจัดความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดจากกิเลสตัณหานี่เองและการจะกำจัดกิเลสตัณหาได้ก็ต้องมีสมาธิมีอัปปนาสมาธิอันนี้ก็ือพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องต่อมาที่จะพูดถึงก็เรื่องปัญญา ปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือความรู้ความฉลาดในธรรมในเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับในใจทุกข์ที่ในใจเกิดขึ้นนี้มีสาเหตุจากอะไรทำไมเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายหรือเวลาสูญเสียพัดภาคจากคนหรือสิ่งที่นักไปทำไมถึงต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมา ความทุกข์เหล่านี้เกิดจากความอยากของใจความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะอยากจะอยู่ไป น, น, นานๆอยากจะมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆก็เลยทําให้เกิดความอยากขึ้นมาเวลาร่างกายแก่ก็เลยทุกข์เพราะไม่อยากให้แก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความทุกข์เพราะไม่อยากให้ เจ็บไ้ได้ป่วยเวลาร่างกายจะตายก็ไม่อยากก็ไม่อยากจะให้มันตายเวลาสูญเสียคนที่รักและสิ่งที่รักไปก็ไม่อยากจะให้สูญเสียเลยสร้างความทุกข์ให้กับใจวิธีที่จะหยุดความทุกข์ก็ต้องใช้ความจริงมาสอนใจว่าธรรมชาติของร่างกายทุกคนเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคน ไม่มีใครยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นไม่มีตัวตนร่างกายเป็นธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็จะกลับเกินสื่อดินน้ำลมไฟไปถ้ามีปัญญาเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะสามารถปล่อยวางร่างกายได้หยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บไม่ตายได้ พอหยุดความอยากเหล่านี้ได้ความทุกข์ใจก็หายไป น, นี่คือปัญญาทางทางธรรมปัญญาที่จะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ของใจต้องเข้าใจเหตุของความทุกข์ของใจเกิดจากตัณหาความอยากการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาการมาตัณหาก็คือความอยากจะใช้ร่างกายเสียงรูปเสียงกลิ่นล้ ภาวะตันหาคือความอยากใช้ร่างกายหาสิ่งต่างๆที่ตนอยากได้มาแล้วก็ภาวะวิภาวะทันหาก็คือความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ใจก็จะต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องมีศีลมีศีลที่สนับสนุนให้มีสมาธิที่เป็นปัญาสมาธิ มีอปัญหาสมาธิเพื่อไปสนับสนุนปัญญาที่เห็นว่าร่างกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นธาตุสี่ดินน้ำนวลไฟไปห้ามไปสั่งเขาไม่ได้ไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่จากเราไปไม่ได้พอเห็นด้วยปัญญาแล้วมีกําลังของสมาธิก็จะหยุดความอยากต่างๆ ที่เกิดขึ้นในใจที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ความทุกข์ใจก็จะไม่มีหลังจากนั้นเวลาร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์ร่างกายตายก็ไม่ทุกข์แล้วเมื่อร่างกายตายไปแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกเพราะเหตุที่อยากจะมีร่างกายก็ไม่มีเหตุที่จะมีอยากให้มีมีร่างกายก็คือความ ค า, าอยากทั้งสามนี่กร า, ม า, า ร, าาราามัตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาเมื่อไม่มีคาวามอยากอันนี้การที่จะมีร่างกายก็ไม่มีไม่ไม่ต้องมีอีกต่อไปเมื่อไม่ต้องมีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอก็จะรู้ว่าได้เข้าถึงวิมุตติแล้ววิมุตติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ิญยาอย่างทราบวิมุตติยาณัสทัศนะคือหลังจากที่ได้ปฏิบัติได้กําจัด ต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายที่มีในใจให้หมดสิ้นไปแล้วก็เห็นสิ่งมหศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในใจคือใจที่เคยมีแต่ความทุกข์วุ่นวายใจต่างๆกลายเป็นใจที่นิ่งใจที่สงบใจที่ปราศ จ, จากความทุกข์ก็เลยมีวิบุติญานัทสนะมีญา ณ, าณยาอย่างทราบถึงการหลุดพ้นจบของความทุกข์ของใจว่าใจไม่มีทุกข์อีกต่อไป แล้วก็จะไม่มีทุกข์ที่จะมาจากการเกิดอีกต่อไปภพนี้ชาตินี้เป็นภพสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายเพราะจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแกร่การเจ็บการตายทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นคามการอย่างทราบความจริงอันนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะได้ลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิง ไม่มีวันที่จะต้องกลับมาทุกอีกต่อไปอนนี่ก็คือเรื่องธรรมะการสนทนาธรรมที่นักปฏิบัติธรรมผู้ปรารถนาะการกำจัดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปเวลาที่คุยกันก็ค่อยคุยเรื่องทั้งสิทธิ์นี้ก็คือคุยเรื่องมากน้อยเรื่องสันโดษเรื่องปีกวิเวก เรื่องไม่คบขีไม่สังคมกันเรื่องของการทำความเพียรเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการเจริญสตินั่งสมาธิเรื่องของการเจริญปัญญาเรื่องของวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์และเรื่องของญาณญาณทัศนะ์วิมุตติญาณทัศนะ์คือการอย่างการอย่างทราบว่าความทุกข์ที่เคยมีในใจนี้ ได้หมดสิ้นไปแล้วอย่างสิ้นเจิงทุกต่างๆจะไม่มีวันที่จะกลับมาอีกต่อไปถ้าได้สนทนาธรรมกับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้ได้ยินได้ฟังบางเรื่องที่เรายังอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราจะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ขึ้นแล้วจะทําให้เราไม่ลังเลไม่สงสัยว่าเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรทําอย่างไร เพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ <S <S แล้วเวลาคุยท <S <S ยําก็จะทําให้ใจสงบไม่ได้ทําทให้ใจฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่อย่างใดจึงเป็นถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งดังในพระสูตรที่ทรงตัดไว้ว่าการเลนะธรรมสากัดฉาเอตัมมังการมุตตมังการฟังธรรมตามโอกาสอันควรการสนทนาธรรมตามโอกาสอันควรเป็นมงคลอย่างยิ่ง นี่ก็คือเรื่องของธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาที่ได้กำหนดไว้ส0สนาทีก็จะขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ <c oughs> และลาดับต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิที่เราเรียกว่าการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ความจริงนี้ เป็นการปฏิบัติสติหรือการเจริญสติเพราะว่าสมาธินี้เป็นผลที่จะตามมาจากะจากเหตุคือการการมีสติคอยกากับใจไม่ให้คิดต่งเรื่องราวต่างๆถ้าเรานั่งแบบไม่มีสติปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สมาธิที่จะเป็นผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาดันั้นการความจริงเวลานั่งสมาธินี้เรานั่ง เรานั่งเพื่อเจริญสติเราต้องมีสติคอยควบคุมบังคับใจไม่ให้ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้สติก็คือการระลึกรู้คือการรู้ว่าใจกำลังอยู่กับอะไรต้องมีสติคอยบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะทำให้ใจนิ่งอารมณ์ที่เรียกว่าทำให้ใจนิ่งเราเรียกว่ากรรมฐานซึ่งมีหลากหลายชนิดด้วยกัน แต่ที่เราใช้กันส่วนใหญ่ก็มีพุท ธ, ธานุสติคือเราลิถึงพระพุทธเจ้าโดยการบริกรรมคําว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปนั่งให้เรานั่งบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่านั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉยใจจะคิดถ้าปล่อยให้ใจคิดแล้วใจจะไม่นิ่งไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปใจก็จะค่อยๆนิ่งค่อยๆสงบแล้วก็จะสงบในที่สุดอย่างเต็มที่ได้ หรืออีกวิธีหนึ่งก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกอันนี้เราเรียกว่าอาณาปานะสติมีสติแล้วเลือรู้อยู่กับลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมปล่อยให้ลมเข้าหายใจไปตามธรรมชาติเอาจะหายใจลึกจะหายใจสั้นจะหยาบจะละเอียดก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเรามีหน้าที่คือมีสติให้รู้อยู่กับลมเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้อยู่ที่จุดเข้าออกคือที่ปลายจมูกถ้าดูลมไม่ได้ถ้าพุโทโธไม่ได้จิตยังฟงุ้งยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทไหนที่เราจำได้จะสัน้นจะยาวไม่สำคัญสวดไปเรื่อยถ้าสั้นก็สวดหลายๆรอบสวดไปจงกว่าจะรู้สึกใจหายฟุ้งสามารถกลับมาดูลมสามารถกลับมาบริกรรมพุโทโธได้ก็ค่อย เปลี่ยนมาเป็นการดูลมมาบริกรรพุทธโธจะใช้ลมอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวก็ได้จะบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้สองอย่างควบคู่กันก็ได้เช่นหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโธก็ได้อันนี้แนละ้วแต่จลิตนิสัยของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอาจจะชอบไม่เหมือนกันอ า, อาจจะถนัดไม่เหมือนกันหรือจะใช้วิธีอื่นก็ได้นอกจากพุทธโธกับลมทุษส่วนหมดแล้ว ก็ยังมีหลากหลายวิธีบางคนก็อาจจะใช้การนึกภาพของอาการของร่างกายเช่นโครงกระดูกก็ได้บางคนก็จะใช้การนึกถึงสีก็ได้สีต่างๆสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างอันนี้แล้วแต่พอความถนัดท่านใช้แบบไหนแล้วทําให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิได้ก็ให้ใช้แบบนั้นไปบางคนก็ยุบหนอพองหนออยู่ที่หน้าท้องแทนที่ดูปลายจมูกก็ดูที่หน้าท้อง เวลาลมเข้าท้องก็พองขึ้นมาเวลาลมออกท้องก็ยุบลงไปเวลาพอง ก, ก็ก็บริกรรมว่าพองหนอเวลายุบก็บริกรรมว่ายุบหนอไปข้อสำคัญก็คืออย่านั่งเฉยเฉยอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็อยากไปสนใจกับสิ่งที่มาปรากฏภายในใจอาจจะมีภาพมีเสียงมีอะไรต่างๆมาให้เห็นให้รู้ก็อยากไปตามรู้ ให้กลับมาอยู่ที่กรรมฐานอยู่ที่อารมณ์ที่เราใช้ปลูกใจต้องอยู่กับอารมณ์ใบจอนก่าใจจะนิ่งใจสงบเมื่อใจนิ่งใจสงบแล้วก็ไม่ต้องเกาะไม่ต้องใช้อารมณ์อะไรพอใจไม่ไม่เคลื่อนไหวแล้วไม่มีความคิดแล้วเวลานั้นก็ใช้สติประครับประคองความนิ่งไปให้นานที่สุดเท่าที่เท่าที่จะนานได้จนกว่าจะอ่อนกําลังลงแล้วจิตเริ่มคิดขึ้นมาถ้าอยากจะ ให้สงบต่อก็ต้องกลับมาเจริญกลับมาฐานใหม่ถ้าไม่ไหวแล้วนั่งมานานแล้วก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นการเดินจงกรมแทนแต่ก็ใช้สติเหมือนเดิมให้มีสติอยู่กับพุทโธก็ได้มีสติอยู่ ก, การเดินที่เท้าก็ได้อันนี้เป็นการทำอย่างต่อเนื่องถ้าอยากปฏิบัติให้ได้ผลดีได้ผลมากขึ้นตามลา ด, ำดำับต้องไม่มีเวลาว่างเว้นจากการปฏิบัติ ไม่ว่าจะอยู่ในระยะบทใดอยู่ในท่านั่งก็ทําสมาธิถ้าลุกขึ้นมาเดินก็ใช้เดินจงกรมถ้าทําภารกิจอย่างอื่นอาน้ำนั่งหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารก็ใช้สติอยู่ผูกไว้กับใจผูกไว้ที่ร่างกายไม่ให้ใจไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆอันนี้คื อ, อบายวิธีของการนั่งสมาธิเทานั่งด้วยการมีสติ ถ้าไม่มีสติไม่ถือว่าเป็นการนั่งไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมต่อไปนี้เราก็จะมานั่งกันจนกว่าจะหมดเวลา ต, ตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหม ถ้าสงบดีก็ให้จําวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วข่าวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้จิตก็จะสงบเหมือนเหมือนเดิมอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทําให้มันสงบแต่อย่างใดต้องนั่งแบบวิธีนี้แล้วก็ถ้านั่งนั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยก็ควรจเจริญสติให้มากขึ้นระหว่างวัน พยายามระลึกถึงพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆหรือเฝ้าดูการขึ้นไหวของร่างกายแล้วต่อไปจะมีสติมากขึ้นแล้วก็จะนั่งสมาธิได้สงบได้ง่ายได้เร็วขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวาเรวะ า, าปูราปาริปุเลนติสักลง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตสัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนะราโสยตาเมเนจติราโสยตาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรกขวินัสสตุ มาเตภาวะตวันตรายุสุขีทิขายุโกพาวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะมีการตอบคำถามให้ถ้ามาหลังจากนี้แล้วจะไม่สะดวกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทางง Facebook 277 youtube พระสุชาติไลฟ์241 y o u t u ด e Dr. V 89รวิวิทยุออนไลน์8 Club House 9หน้ากุฏิ157รวม781อค่ะมีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากคุณพนชกรมี2คํคำถามค่ะคำถามแรกผมอยากทราบเรื่องกรรมชาติที่แล้วส่งผลต่อชาตินี้ไหมครับแล้วกรรมชาตินี้ส่งผลต่อชาตินี้ใช่ไหมครับก็มันน่าแต่จังหวะ ว่ามันจะส่งผลเมื่อไหร่ถ้ามันยังไม่ส่งผลมันก็รอจังหวะของมันเดีย๋ยวมันถึงเวลามันก็ส่งผลกรรมอาจจะส่งผลทั้งชาตินี้ทั้งชาติหน้าแล้วกรรมที่เรารับอาจจะเป็นกรรมที่เกิดจากชาติก่อนหรือเกิดจากชาตินี้ด้วยงั้นอย่าไปสนใจสนใจอยู่ที่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีถ้ากรรมดีผลก็ดีมีความสุขความเจริญถ้ากรรมไม่ดีก็จะ ทำให้ใจทุกข์ใจวุ่นวายใจมีความเสื่อมเสียงั้นก็เลือกทำแต่กรรมดีอย่าทำกรรมที่ไม่ดีก็แล้วกันส่วนเวลามันจะเกิดเมื่อไหร่นี่เราไปกาหนดไม่ได้คาถามข้อที่สองอะไรคือตัวทุกข์ครับทุกข์คือความรู้สึกรู้สึกในใจเวลาปวดหัวมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเวลาสูญเสียคนรักไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา คือคววามรู้สึกใน ใ, ในจัำถามจากคุณอภิญญานั่งไปสักพักรู้สึกตัวรีบบิดเบี้ยวบางทีเหมือนตัวจะขยายใหญ่เรียกว่าอาการอะไรคะหนูทำถูกไหมคะหนูใช้กำหนดพุทธโทธค่ะพระอาจารย์พอรู้สึกแบบนั้นหนูจะกลับมาหาพุทธโทธค่ะถูกต้องอย่าไปสนใจมันเป็นอาการปรุงแต่งของใจไม่ต้องไปสนใจมันนี้มันหลอกเรา มจริงร่างกายก็เหมือนเดิมอยู่ให้อยู่กับพุทโธไปและอยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวมันร่างกายก็จะหายไปเองคำถามจากคุณรักจังกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์เจ้าค่ะในการนั่งสมาธิเราควรต้องตั้งเป้าหมายไหมคะว่าต้องฝึกให้ได้ถึงขั้นอุปจารสมาธิค่ะตั้งสติให้มีสติแล้วกัน แล้วมันก็จะพาเราไปถึงขั้นสูงสุดของมันเองถ้าไม่มีสติตั้งไปยังไงก็ไปไม่ถึงงั้นตั้งสติพยายามฝึกสติให้บ่อยๆให้มีสติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับและเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ลึกได้นานคำถามจากคุณรสตะนันค่ะการที่เรานั่งสมาธิจนได้ฌานและจะเจอความสุขที่สุขแบบไม่เคยพบมาก่อนมันเป็นอย่างไรครับ และการที่จะถึงขั้นนั้นยากไหมครับและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไหมครับผมอยากจะสัมผัสสักครั้งในชีวิตครับก็อยู่ที่ความเพียรพยายามของเราถ้าเรามีความเพียรพยายามผลก็จต้องตามมาอย่างแน่นอนงั้นขอให้เราเพียร พ, พยายามปฏิบัติสติไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะตามมาคาถามจากคุณบรลลือศักด์ค่ะ การปล่อยวางคือเรื่องของโลภะโทสะโมหะใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องของโลภะโทสะโมหะเป็นเรื่องของความยึดติดแต่การปล่อยวางก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงปล่อยวางใคราดาก็ไม่โลภไม่โกรธใครเอาของมาให้ก็ไม่ยินดีแต่รับไว้ใครมีเงินมีทองก็ไม่ไปอยากจะได้เงินทองของเขาเออถ้าปล่อยวางแล้วมีความสุข ไม่ต้องมีอะไรก็มีความสุขได้คําถามจากคุณโซหันค่ะขอคําอธิบายเกี่ยวกับอุคาหะนิมิตและปฏิภาคนิมิตครับก็เป็นนิมิตที่ปรากฏเป็นภาพเป็นอะไรขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิเช่นท่านบอกว่าถ้าเห็นเห็นร่างกา ย, ยาเราก็กําหนดร่างกายให้มันแตกไปตอนที่เห็นร่างกายก็เป็นอุคาหานิมิต แล้วกำหนดให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปอันนี้ก็เป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นมาปฏิภาคนี้เราต้องกำหนดอกคหะมันโผล่ขึ้นมาเองเมื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ทำปฏิภาคทาให้มันไม่เที่ยงทำให้มันเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนไปเรียกปฏิภาคหมดแล้วเหรอเดี๋ยวจะมีคาถามค่อยๆพิมพ์เข้ามาก็ได้ ถ้ามีใครอยากจะถามก็เชิญถามเข้ามาถามได้นะที่นี่มีไมโครโฟนเข้ามาหยิบไมโครโฟนไปแล้วก็ถามได้ตามที่ต้องการจะถามอยากจะถา ม, มอะไรไหมโยไม่นะถามมาครับคุณหมอเชิญเข้ามา แบบนามัสการค่ะคือทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ความสงบอะไรที่เขาบอกกันว่านั่งแล้วดิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าคือเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆค่ะเราจะเช็คยังไงว่าเออมันมันมาถูกทางแล้วเพราะว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คิดว่ามันก็ไปได้ช้าๆค่ะเวลานั่งสมาธิก็มันก็รู้ว่าก็ก็คิดไปพุโทโธไปสักพักก็คิดไปเรื่องอื่นแล้วก็กลับมาพุโทโธใหม่อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆค่ะ ก็แ <S an> สดงว่าเรากําลังก้าวหน้าไงเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่าเราคิดอะไรปล่อยให้คิดไปทั้งวันทั้งคืนแต่พอเรามานั่งสมาธินี้เราเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของความคิดแล้วนี้เราก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นให้ดึงผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหรือถ้าเวลาไม่ได้นั่งก็ต้องผูกไว้กับร่างกายเวลาร่างกายทําอะไรก็เข้าดูร่างกายทําอย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ อันนี้ต้องทําไปเรื่อยๆก่อนอย่าเพิ่งไปรีบร้อนผลเวลามันจะเกิดขึ้นมามันถึงเวลามันก็เกิดขึ้นมาเองแต่มันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีเหตุเหตุก็คือการเจริญสติเอ็นพยายามขยันเจริญสติให้มากๆใช้คําบริกรรมบ้างก็ได้ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายบ้างก็ได้สลับกันไปในระหว่างวันนะส่วนเวลามานั่งสมาธิก็ดูลมไปดูพุโทโธไปงั้นะมันก็จะพัฒนาไปเองนะ อันนี้ยเด็กนี่มันไม่ใช่ของง่ายนะมันเป็นเหมือนกับได้เหรียญทองโอลิมปิกนี่ดูว่ายะติดทียชาติก็เหนื่อยขนาดไหนนะแล้วก็จะไปแข่งกับเขาในสานามโอลิมปิกนี่ก็จะได้เหรียญทองมันก็ต้องใช้เวลามากต้องมีการฝึกขาดฝึกซ้อมอยู่มากการฝึกขาดฝึกซ้อมก็เนี่ยการยืนรัสติการนั่งสมาธิทำไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นที่ที่มันยังไม่ก้าวหน้า็ทําทำน้อย มันทำมากี่ชั่วโมงตอนนี้เขาจะไปเอาเหรียญโอลิมปิกนี่ก็ต้องทําทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ทํางานอย่างอื่นนะเขาฝึกซ้อมไปอย่างเดียวฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้เหรียญทองโอลิมปิกของสมาธิเราก็ต้องไม่ทํางานนะเรามาเป็นนั่งบวชแล้วก็จเจริญสติให้ได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าทําได้แล้วอย่างนั้นนะ่ยโอกาสที่จะทําให้ใจเด็กมันดีมากขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นใจเยน็นๆดูเหตุ อย่าไปดูที่ผลเรามักจะมองผลเหรียญทองเหรียญทองแต่เหตุคือการฝึกซ้ษาไม่ค่อยมีเลยมันก็จะไม่ได้ผลนะแล้วก็เป็นเรื่องของการทํางานค่ะแบบเวลาทํางานเนี่ยค่ะเวลาคนไข้มาคือก็ปฏิบัติตัวหมายถึงคนไข้ก็ดูแลตัวเองไม่ดีค่ะ อ, อพูดหลายครั้งคร้าที่เขาบอกว่าให้วางอุเบกขาเวลาเจออย่างเงี้ยค่ะมันหมายความว่า ก็บอกคนไข้ไปไปตามหน้าที mm ่ก hmm. ็บอกไปอย่างเนี้ยสิบครั้งก็บอกไปสิบครั้งโดยที่ไม่ต้องไปโกรธหรือว่าคําว่าอุเบกขาก็คือก็ก็ไม่ทําก็ไม่ทํางั้นก็ไม่ต้องพูดกันแล้วมาเจอกันแค่นั้นก็จบไปตรวจไปทุกครั้งอย่างเนี้ยค่ะก็อุเบกขาคือทําใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆมีหน้าที่อะไรก็ทําไปบอกเขาก็บอกเขาจะทําไม่ทําก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับเขาเราทําหน้าที่ของเราไปนี่คืออุเบกขา เขาจะทาตามเาาหรือไม่เราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเสียใจถ้ามีอุเบกขาจะเฉยแต่เฉยได้ทางทางอารมณ์ทางปฏิจิยาแต่การกระทาก็ยังทําเป็นปะกติอยู่จะต้องทําอะไรก็ทําไปตามหน้าที่แต่ผลจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่ไปเดือดร้อนกับมันนั่นคืออุเบกขาปุใจเราต้องนิ่งเฉยไม้ยินดียิน้ยกับผลที่จะเกิดขึ้น เามีหน้าที่ทำก็ทำไปบอกเขาก็บอกไปเราไปสั่งเขาไม่ได้เราไปทำแทนเขาไม่ได้ถ้าบอกเขาแล้วก็ททำไม่ได้ก็กถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปยิ่อย่างนี้ไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปอะไรเขาสงสารเขาเราบอกแล้วนะัแต่ถ้าไม่ทำก็ช่วยไม่ได้นะกระจายอย่างนี้คืออเบคค้า แ ล, แล้วถ้าดูกนี่เป็นบาปไหมคะพระอาจารย์คือดูด้วยเหตุด้วยผลไม่บาปถ้าดูด้วยความโกรธก็บาปถ้าพูดว่าอาทํานี้ไม่ถูกนะคุณป้าต้องทําแบบนี้นะไม่ทํามันเดี๋ยวไม่หายนะอย่นี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปดุเขาว่าดื้อเกินทําไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเงื่นเชื่อหมอเลยอะไรี้ยใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์มนี่เป็นบาปแต่ถ้าใช้เหตุใช้ผลใช้ความเมตตาไม่บาปเป็นบุญเป็นกุศล หมดแล้วยังหมดแล้วค่ะโอเคคำถามจากคุณเคทีค่ะปัญญาจากการทําสมาธิเกิดอย่างไรคะปัญญานี้ไม่ได้เกิดจากสมาธิปัญญาเป็นการศึกษาเหมือนเรียนหนังสือสิ่งที่เราต้องการศึกษาก็คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนตัตตาเช่นร่างกายของเราเป็นอนิจจังหรือเป็นนิจจังมาฐานตัวเองดู นิจังก็คือถาวรยั่งยืนอา น, นิจังก็คือไม่ถาวรไม่ยั่งยืนเราก็จะได้คําตอบว่าร่างกายไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเกิแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่อา น, นิจังอนาตตามีตัวตนหรือไม่ถ้าดูร่างกายแล้วมันก็เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้มีตัวตนหรือเปล่าต้นไม้ต้นไม้มันก็ทํามาจากธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟร่างกายมันก็ทํามาจากธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟไม่มีตัวตนตัวที่เป็นตัวตนนี้คือใจ ใจเป็นสมมุติตัวเองว่าเป็นเป็นร่างกายแล้วก็ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวตนขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วร่างกายเป็นแค่เหมือนต้นไม้เป็นธาตุสี่ทำมาจากดินน้ำลมไฟได้มาจากพ่อจากพ่อกับแม่ผสมกันธาตุสี่ของพ่อกับธาตุสี่ของแม่มาผสมกันแล้วก็สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาด้วยธาตุสี่อาหารที่เรากินเข้าไปก็เป็นธาตุธาตุดินนมที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุธาตุลม น้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นท่านน้ํามันเข้าไปแล้วมันก็ไปผสมกันมาม า, มาสร้างอาการสามสิบสองสร้างผมขนแลบฟันขึ้นมาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องแยกตัวกันกลับเกินสู่ดินน้ำลมไฟไปให้พิจารณาอย่างนี้จะได้เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อรู้แล้วว่าไม่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นตัวตนไม่มีตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็ปล่อยวางไป มันจะแก่ก็ต้องปล่อยมันแก่ไปลเพราะเราห้ามมันไม่ได้มันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปถ้าเราปล่อยร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือการเจริญปัญญาอยากมารู้ทำให้เร็วควรทาอย่างไรคะไปบวชเลยคำถามจากคุณโซฮันเมื่อสักครู่ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาเป็นอุคาหานิมิต ถ้ายังไม่ใหม่ๆก็ยังไม่รู้ก็ให้รู้เฉยๆไปก่อนให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปก่อนรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นนิมิตอะไรเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีสมาธิอย่าไปสนใจนิมิตต่างๆเวลานั่งสมาธิจะเสียสมาธิจะเข้าสมาธิไม่ได้เวลามีนิมิตเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจกลับมาที่กรรมฐานผูกใจอยู่กับกรรมฐานไปจนกว่าใจจะสงบ นิมิตนี้ไว้สำหรขั้นปัญญาขั้นปัญญาถ้าเรายังไม่ถึงขั้นปัญญาอย่าไปสนใจนิมิตนามัสการคร่ะอาจารย์พูดตั้งน า, านานเลยจ้านมัสการค่ะได้ยินนะค ะ, ะ, ะ, ะเราสามารถจะปฏิบัติอานาปนานสติดูลมหายใจไปพร้อมๆกับการดูเวทนาที่ร่างกายได้หรือไม่แล้ว ไ, ไม่ควร เวลาดูลมก็ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องไปนสนใจกับเรื่องอื่นเวลานั่งสมาธิให้ดูอยู่กับลมอย่างเดียวมีอะไรมาปรากฏเช่นเวทนาก็ไม่ต้องไปนสนใจให้อยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวแล้วจิตก็จะสงบได้ถ้าไปดูเวทนาด้วยเดี๋ยวจิตก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเจ็บอยากจะให้มันหายหก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเรวก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ แล้วก็ไม่สามารถที่จะจับความคิดและดูดลมหายใจไปพร้อมๆกันก็ใหม่ๆก็น้อมรู้คู่คานไปก่อนจับผูกไว้ปับ๊บมันเดี๋ยวมั่กกลับไปคิดแล <ฮะ S 1> เดินกลับมาใหม่เดินไปเดินมาอย่างนี้เดินกว่าเราจะชนะมันถ้าเราชนะมันใจก็จะสงบขอบพระคุณค่ะอาจารย์คําถามจากคุณเนทค่ะถ้าเคยได้สุข ได้สงบเล็กน้อยตอนทำสมาธิแล้วอยากให้ได้อีกแต่ก็รั่วเป็นกิเลสครับจะทําอย่างไรให้ไม่อยากครับก็ทำเลยมันต้องทำอย่างเดียวจะอยากไม่อยากไม่สำคัญให้อยากทำอย่าไปอยากได้ผลให้อยากทำสมาธิแล้วพอได้ทำสมาธิผลก็จะเกิดขึ้นมาแต่ไปอยากได้อย่าไปอยากได้ผลอย่างที่เมื่อกี้ตอนที่นั่งสมาธิเสร็จก็บอกว่าอย่าไปอยากให้มันสงบมันไม่สงบด้วยความอยาก สงบด้วยวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้ า, านั่งแล้วสงบแล้วต้อง จ, งจดจำวิธีนั่งนั้นไว้แล้วคราวหน้าเราก็มานั่งใหม่ใช้วิธีนั้นต่อคําถามจากคุณอาอินบิลจ์เมื่อจิตเกิดอุเบกขาสามารถลบสัญญาต่างๆได้จึงไม่ปรุงแต่งจิตใช่ไหมครับไม่ไม่ได้ลบอะไรเพียงแต่จิตเฉยนั่นเองจิตไม่ไม่ยินดีร้ายไม่โลบไม่โกรธไม่หลงไม่รักไม่ชังไม่กลัวเฉยเฉย ใครด่าก็ไม่โกรธเขาใครใครจะให้อะไรมาก็ไม่โนภเเฉยเขาอยากจะให้ก็ปล่อยเขาให้ไปเขาไม่ให้ก็ไม่ไม่ยินดีเฉยเฉยไม่เดือดร้อนคําถามจากคุณรสท น, นันควรกําหนดจิตยอย่างไรครับแล้วต้องบริกรรมพุทโธไหมครับเวลาเดินจงกรมควรกําหนวนด้วยสติ จะใช้บริกรรมก็ได้จะใช้การดูเท้าก็ได้การก้าวเท้าก็ได้เวลาเดินจงกรมแล้วแต่เราจะสะดวกเราเหมาะเราชอบแบบไห น, นล้วก็ใช้วิธีนั้นได้เดินไปก้าวไปก็ดูที่เท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้หรือเดินไปแล้วก็พุโทโธพุทโธไปก็ได้คุณปียพงค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครับขอพรวันเกิดจากพระอาจารย์ครับขออย่าลืมกรรมวันเกิดเด เพราการเกิดเป็นทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการไม่เกิดนี่เป็นพรอนันประเสริฐที่สุดคําถามจากคุณเหมียวค่ะขอถามพระอาจารย์เคยฟังเทศแล้วรู้สึกไม่ชอบบางหัวข้อแล้วคิดไม่ดีจะแก้อย่างไรคะก็อย่าเพิ่งไปฟังหัวข้อนั่นสิศึกษาก่อนว่าหัวข้อนั้นไม่ดีเพราะอะไรหัวข้อธรรมนี่มันดีทั้งหมดเพียงแต่ว่า ก, กิเลสเรามันต่อต้าน เช่นให้พูดถึงอสุภะนี่ส่วนใหญ่ก็จะต่อต้านกันให้พิจารณาความโกความไม่สวยงามของร่างกายพิจารณาซากศพนี้จิตของของจิตของคนที่ยังไม่มีสมาธินี้จะไม่สามารถพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่ากิเลสมันจะต่อต้านยิงให้ไปฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นก่อนถ้าจิตสงบแล้วจิตจะมีจิตกำลังยุจหยุดการต่อต้านธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ ท่านถึงสอนว่ า, าการจะเจริญปัญญาได้ดีต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิจะจิตมันต่อต้านไม่ยอมคิดถึงความตายไม่ยอมคิดถึงความแก่ไม่ยอมคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ยอมคิดถึงอสุพะอาการสามสบิบสองซากศพนี่มันจะไม่คิดเพราะมันกิเลสมันไม่ชอบมันชอบของสวยๆงามๆชอบดูครับ ป, ประกวดนางงามอย่างนี้นงงามจั ก, กรวงจั ก, กรวาลแต่ไม่เห็นว่าประกวดอะไรกัน ถ้ามีสมาี่มีปัญญาก็เห็นร่าประกวดกระดูกกันคองกระดูกเดินไปเดินมาคำถามจากคุณสลินยาค่ะสามีเป็นโรคทำใบพาถหัวใจพอหายดีแล้วตอนนีด้ดวงตาเสียมองไม่เห็นไปอีกหนึ่งข้างมันคือวิบากกรรมใช่ไหมคะทั้งที่เขาทำบุญมาตลอดไม่ผิดศีลผิดธรรมเจ้าค่ะตอนนี้เขาอายุหกสิบห้าแล้วค่ะ มันจะเป็นกรรมก็ได้หรือจะเป็นอนิจจังก็ได้ร่างกายมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามันต้องเสื่อมลงไปนะแต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายแต่ถึงปัญหาไม่ใช่อยู่ที่การเป็นของร่างกายปัญหาอยู่ที่ใจรู้สึกยังไงกับมันถ้าใจมีปัญญาใจก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนแตถ้าใจไม่มีปัญญาไม่มีอุเบกขาใจก็จะทุกข์แล้วา ม, ามาฝึกสตินั่งสมาธิทําให้เกิด สมาธิเกิดูเบกขาแล้วสอนใจให้รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนมีเกิดมีดับแล้วใจก็จะไม่ทูกกับเหตุการณ์ต่างๆคำถามจากคุณรังศีค่ะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วแม่รักษาปล่อยร่างกายให้ตายไปจะได้ไหมครับจะเป็นค่าตัวตายไหมครับไม่ได้ค่าตัวตายเราเพียงแต่ยุติการรักษาเท่านั้นเอง ไม่รู้ว่ารักษาแล้วมันทรมานกว่าไม่รักษาซื้อไม่รักษาดีกว่ายัางไงก็ต้องตายเหมือนกันตายช้าตายเร็วตายทรมานนานหรือตายทรมานไม่นานหมดแล้วเลยคถามโอเคถ้าไม่มีคำถามอะไร ก, ก็แค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ